อความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิจัยสีปทุมกำลังนําเสนอสติปัฏฐานสูตรในมัชฌิมิกายมูลปัญ น, นาสก็อยู่ในช่วงที่พระตถาคกถาจารย์อธิบายขยายความ สำคัญในพระสูตรแต่ละบทมาโดยลำดับมาถึงช่วงที่ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้สติปฐานก็ควรเข้าใจไว้ว่าปรองสัดไว้สี่อย่างเท่านั้นไม่ยิ่งไม่ย่อนไปกว่านี้ก็เพื่อให้ละสุภาิปราดคือการมองสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยงาม สุขาวิปลาสก็คือมองสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนิจาวิปลาสคือมองสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็อัตตาวิปลาสคือมองสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนและไม่ใช่เพียงสัตว์ไวเพื่อให้ละวิปลาสาอย่างเดียวท่านั้นแต่ควรเข้าใจว่าสัต์ไวสี่อย่างเท่านั้นก็เพื่อให้ละ กิเลสประเภทต่างๆกิเลสตรงนี้เราจะเจอบ่อยนะเพราะว่าคือรากงาวของกิเลสจริงๆมันก็คือโลกปดลงหรือว่าแยกให้ชัดก็คือราคะโลภโทสะโมหะทีนี้กิเลสประเภทเหล่านี้มันจะทำหน้าที่ในกรณีต่างๆแตกต่างกันออกไป พ, พระเจ้าขจร้องเรียกชื่อ ชื่อนั้นจะมีลักษณะเป็นรู ป, ปรธรรมแต่ว่ากิเลสเขาเป็นนามนธรรมเมื่อเรียกเป็นรู ป, ปรธรรมก็ต้องอาศัยสิ่งที่ชาวโลกเขาคุ้นๆนนะ่ะและเห็นคุณเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็มาเป็นชื่อของกิเลสเหล่านั้นก็แรกก็คือโอคะแปลว่าห่วงน้ําคือสังสารวัตรแต่ห่วงน้ําคือกิเลส จริงๆนะมันเป็นหวกน้ําคือกิเลสแต่ว่าเมื่อมีกิเลสก็ทำให้คนหมุนบนอยู่ในสังสารวัฏด้วยอํานาจของกิเลสเหล่านี้ก็ได้แก่กามกามโอฆะโอฆะห้วงน้ําคือกามปะโบฆะโอฆะห้วงน้ําคือพบทิทโตฆะห้วงน้ําคือทิชิอวิชโชฆะห้วงน้ําคืออวิชา เราเยนว่ากามและพบมันก็คือสายโลภะทิฏฐิก็เป็นอาการของโมหะอวิชาก็เป็นอาการของโมหะแต่ว่าทิฏฐิบางทีมันเป็นโลภะนะฮะคือหมายความมาถ้าเรามีความเห็นอย่างนั้นเราก็อยากให้คนอื่นเห็นอย่างที่เราเห็นแต่ใครเห็นอย่างเราเราก็เกิดพอใจในบุคคลเหล่านั้นแล้วข้อต่อไปก็คือ โยคะโยคะก็เหมือนกันนะครับโยคะแปลว่าเป็นสิ่งที่ประกอบหรือขังสัตว์ไว้ในสังสารวัติทีนี้ตัวที่ทำหน้าที่ขังก็คือกิเลสเพะถ้าหากว่าไม่มีกิเลสมันก็หลุดพ้นจากสังสารวัติก็แรกก็คือกามโยคะ ก, กามโมคะโอคะคือกาม โอคาเพราะว่าโยคะนะฮะเพะว่าโยคะโอคาคือพบทิฏโขคะโอคาคืออ่ะโยคะคือชิติอวิโชคะโอโยคะคืออวิชาโอคานั้นแปลว่าพัดพัดหมุนไปเหมือนกับกระแสน้ําแล้วก็โย ค, ค่ะก็ขังเอาไว้ก็จับเอาไว้หรือขังเอาไว้หรือมัดเอาไว้ก็แล้วแต่ อาสวะนั้นในที่นี้ทรงเรียกเป็นสี่เหมือนกันแล้วก็หมายถึงธรรมะชุดเดียวกันความอริยสุขนชุดเดียวกันก็คือกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะอาสวะคือกามอาสวะคือพบอาสวะคือชิติอาสวะคืออวิชชาตามปกติในที่อื่นเราจะพบอวิชชามีสี่ไม่มีสามนะฮะกามาสวะภวะสวะวิชชาสวะ ไม่ใช่อาสวะเนี่ยมีสามแต่ว่าในที่นี้เป็นการเรียกกิเลสประเภทที่เรียกว่าโอคะนั่นแหละโอคะบ้างโยคะบ้างอาสวะบ้างแล้วก็กันถะบ้างอาสวะแปลว่าเครื่องหมักหมมสะสมอยู่ภายในจิตสันดานของบุคคลข้อต่อไปกันถะกันถะแปลว่าร้อยรัดร้อยรึงหรือรัดรึงเอาไว้ ใครก็ตามที่ถูกไปร้อยรัดเอาไว้ไปมัดเอาไว้ไปกักขังเอาไว้หน่วงเหนียวเอาไว้มันก็ไปไหนไม่ได้เพราะจิตใจของบุคคลเราที่ถูกกิเลสเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งแั่นั่นเองฮนะผูกมัดเอาไว้ก็ไปไหนไม่รอดยอมสยบยอมจำนนอยู่กับอำนาจของกิเลสเหล่านั้นรารกันถะก็คือการมกันธ์เพราะว่าันธะชิดีคันธะแล้วก็ วิชาการทาอุปาทานสีอุปาทานสีก็คือสี่ข้อนี้การมุปาทานาทิตตุปาทานสิรพตุปาทานอัตวาทุปาทานก็ต่างกันไปหน่อยแต่ก็สรุปแล้วก็คือกิเลสโอคาส์าไม่ใช่อาคาติสีก็คือความความลำเอียงเพราะรักให้กัน ความลำเอียงเพราะไม่ชอบกันความลำเอียงเพราะหลงความลำเอียงเพราะกลัวทั้งหมดเนี่ยลได้กิเลสที่มีชื่ออย่างไงกิเลสที่มีชื่ออย่างอื่นก็ถูกละไปด้วยเพราะว่าเป็นกิเลสประเภทเดียวกันเพียงแต่ว่าแตกต่างกันในภารกิจที่กิเลสเหล่านั้นกระทาต่อจิตในขณะนั้นๆเท่านั้นเองเพื่อให้กำหนดรู้อาหารสี่ อันสี่ก็คือกาวลิงกาลาหารอาหารคือสิ่งที่เราดื่มเราลิ้มเราชิมเข้าไปทางปากแล้วก็ผัสสาหารอาหารคือผัสสะวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณแล้วก็มโนสัญเจตนาอาหารอาหารก็คือมโนสัญเจตนาคือเจตจำนงความมุ่งมั่นความจงใจที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนี่ก็ เป็นการแสดงให้เห็นว่าไอวิปรลาละทั้งสี่เนี่ยวิปรลาละทั้งสี่ถ้าเราไปจับมาดูสักข้อเราจะเห็นว่าการเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงามมันก็สืบเนื่องมาจากกามาสะวะการมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเนี่ยมันก็สืบเนื่องกับกามาสะวะด้วยแล้วก็ภ ว, วะศาสวด้วย ติถาสะวะไม่ใช่คือการมองสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมันก็แสดงให้เห็นว่าเป็นอวิชาะวะาวชาสะวะอันสวาคือวิชาติถาสะวะด้วยนะฮะิฐาติาสะวะก็คือความเห็นผิดด้วยก็ตกลงว่าเป็นกิเลสสี่ข้อใหญ่ๆซึ่งเรียกชื่อในที่ต่างๆเป็นนันมากแล้วก็เวลาพูดถึงการละบางทีก็ยกข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมา ไม่ได้ยกครบทุกชุดอย่างนี้ทั้งชุดอย่างนี้หรอกส่วนในอัตตาท่านกล่าวไว้อย่างนี้แหละว่าโดยระลึกและโดยการประมวลลงสู่จุดเดียวกันแล้วสติปัฏฐานก็มีอย่างเดียวเท่านั้นแต่โดยอารมณ์มีสี่อย่างอุปมาเหมือนหนึ่งว่าในพระนครที่มีประตูสี่ประตูคนมาจากทิศตะวันออก หรือสิ่งของที่มีขึ้นมาทางทิศตะวันออกแล้วเข้าประนคร น, นั้นทางประตูทางตะวันออกคนมาทิศใต้คนมาทิ่ตะวันตกคนมาทิศเหนือก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือหมายความว่าคนเข้าประตูคนละทางกันแต่เข้าไปในนครด้วยกันปุ่นนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือหมายความว่าสติปัฏฐานทั้งสีเนี่ย กมุ่งไปสู่สมถะกับวิปัสนาท่านจะเริ่มที่กายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้ตามอัธยาศัยของท่านแต่พอเกิดผลขึ้นมาก็จะเป็นสมถะหรือวิปัสนาแต่ถึงจุดหนึ่งถ้าจุดที่สมบูรณ์ก็คือการบารรลุมรรคผลเป็นพระอระหันต์ไม่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพระอาเดียบุคคลชั้นต่างๆจนถึงพระอระหันต์ความจริงนิพพานก็เหมือนพระนคร โรยกโลกอุดร น, นะฮะโลกอุดรก็สันเริญพระพุทธเจ้ากันโลกกุตตรมัชประกอบด้วยองค์สี่เหมือนประตูพระนครหลวงกลายเป็นต้นเหมือนกับทิศตะวันออกเป็นต้นก่อนก็นับไปก็นับไปทางทิศตะวันตกท า, ท, ตนทางทิศเหนือทางทิศทิศใต้ก็นับไป พโยคาวิจวนทั้งหลายเมื่อมาด้วยอำนาจกายานุปัสนาเจริญกายานุปัสนาสติปฐานโดยมีวิธี 10, 14อย่างคือในกายานุปัสนาสติปฐานนั้นก็คือหนึ่งก็คืออนาปานสตินับลมหายใจเข้าออกแล้วก็สองอิเดียบทใหญ่สามอิยาีบทย่อยคื อ, อยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำผู้คิดเป็นต้นเนี่ย แล้วก็สี่ก็คืออสุภะาอาสุภะกรรมฐานแต่ในที่นี้เรียกว่าปฏิกูลปปะพระแล้วก็ต่อไปก็ธาตุสี่ธาตุสี่แล้วไปถึงจุดหนึ่งก็ไปเป็นป่าชาเก้าไปเป็นป่าชาเก้าก็สรุปว่ารู้ความปฏิกูลนาค หน้ารังเกียจของร่างกายเท่านั้นเพื่ออะไรเพื่อถ่ายถอนสุภาวิปลาสแล้วก็เพื่อบันเทากิเลสประเภทราคะราคะกล้าไม่ใช่ราคะอ่อนแล้วก็ปัญญาน้อยวิโยคาวจารทั้งหลายเมื่อมาด้วยอำนาจดังกล่าวแล้ว ทีนี้การจะไปสู่อํานาจเหล่านั้นได้ก็ต้องอาศัยอริยมรรคจะไปรวมลงสู่ที่เดียวกันมาทางไหนไม่สําคัญหรอกแต่ว่าไปสู่ที่เดียวกันก็คือนิพพานนิพพานนั้นเป็นจุดหมายปลายทางสูงสุดแต่ว่าที่ทรงแสดงไว้โดยอเนกโดยอเนกกริยายในที่ต่างๆนี่เราจะเห็นว่าก็มีความหลากหลายมากมายก่ายกอง ก็นับกันถึง 84,000 ี่พันพระธรรมาคันนะก็ด้วยริมักที่เกิดด้วยอนุภาพของกายานุปัสนาเหมือนคนทั้งหลายที่มาจากทิศตะวันออกเตอสิ่งของที่มีขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็เข้าวนาครได้เหมือนทางประตูทิศตะวันออกได้นันะได้ ประโยชก็พระโยคาวจรนทั้งหลายเมื่อดําเนินมาถึงประตูเวทนานุปสนาเจริญเวทนานุปสนาสติปัฏฐานโดยมี9อย่างคือเวทนานี่เราได้ยินแตกต่างกันในที่ต่างๆกันไม่ไม่เหมือนกันหรอกเราจะเห็นว่ามันมีเวทนาหนึ่งเวทนาขันในเวทนาหนึ่งเวทนาสองก็คือสุขทุกข เวทนา3ก็คือสุขทุกข์อทุกขมาสุขเวทนา5ก็คือสุขทุกข์อทุกข์โสมนัสโทมนัสแล้วก็เบกขาแล้วก็เวทนา6ก็คือความเสบยอารมณ์เพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยหมายความว่าเวทนาที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รวมแล้วก็เป็น6 ทีนี้เบตนาที nine, ่เกเนี่ยมันเอาสุขทุกแล้วก็ไม่ทุกไม่สุขเข้ามาเป็นตัวตั้งแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกเป็นอนทุกกรรมสุขชุดหนึ่งแล้วก็เป็นสุขทุกขอาทุก zij, ทกรรมสุขที่เจืออามิดแล้วอีกชุดหนึ่งก็สามข้อเหมือนกันก็คือเป็นทุกขเป็นสุขเป็นอทุกกรรมสุขที่ไม่เจืออามิดคือเจือนิพพาน แล้วก็นับไปเรื่อยนะฮะนับไปเรื่อยจนถึงก็เป็นเวทนาร้อยแปดประการด้วยกันแต่ตามปกติเขาก็ไม่เอามาพูดกันหรอกเพราะจํายากแต่ถ้าเราใช้วิธีคูณนะฮะวิธีคูณเอาก็จับประเด็นหลักให้ได้จับประเด็นหลักให้ได้แล้วก็คุยกับคู่น้องก็จะกลายเป็นเวทนารวมแล้วก็ร้อยแปดก็เช่นเดียวกับตันหาร้อยแปดนะฮะ จะเลียวกับตันหาร 108, ้อยแปดก็ใช้วิธีคูณกันพระโยคาวจรทั้งหลายเมื่อเดินทางมาทางทางประตูจิตานุปัสสนาเจริญจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยวิธี16วิธี16เนี่ยคือเขานับนับเป็นคู่ค หาความว่าเช่นมีจิตมีราคา่าจิตไม่มีราคา่าจิตมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะสงบไม่สงบยังไงเป็นเนี่ยเป็นคู่คู่คู่คูู่คู่คคคกันไปรวมแล้วก็แปดคู่ด้วยกันก็กลายเป็นเวทันไอประการกลายเป็นจิตตาอุปัสนาสิบหกประการด้วยกันซึ่งก็เราต้องกลับไปที่พระพุทธดํารัตอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อเมื่อเมื่ อ, อถึงจุดตรงนั้นแปลว่ า, าทําความเข้าใจกับ จุดๆสาคัญสําคัญตรงนี้เชก่อนอาจย้ายยากสักหน่อยแต่ว่าก็ฟังในหลายครั้งคงไม่เป็นไรก็ปรโยคาวาจรเมื่อเดินทางมาทางประตูธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยวิธีหอย่างแล้วธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานให้เขาแบ่งเป็นหมวด เป็นขนันธ์ปปพพะเป็นนิวารณาปปะพะเป็นอายตนาปปะพะเป็นโพชงกปปพพะเป็นสัตอริยสัตว์ทั้งสี่ประการก็กลายเป็น5กลุ่มแต่กลุ่มเตระกลุ่มนี้พิสดานะฮะยาวองค์ธรรมยาวมากจะไปรวมกันในที่เดียวกันคือนิพพานนันเด้งโดยอริยมรรคที่เกิดขึ้นด้วยอาย น, ยอนุภาพของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เหมือนกับผู้มาจากทิศเหนือถือเอาสิ่งของที่มีขึ้นจากทิศเหนือแล้วก็เข้าประตูเหมือนกันทางประตูทิศเหนือได้ฉะนั้นสติปัฏฐานสี่พึงทราบว่าสาัดไว้อย่างเดียวเท่านั้นโดยมีการรลึกและมีการรวมลงสู่จุดพึงทราบว่ า, าตัดไว้สี่อย่างนั้นแหละโดยอารมณ์ด้วยประการชนิดทีนี้ข้อต่อไปคำว่าฟิกู แต่ว่าภิกษุนี่ที่ทรงทรงทรงขึ้นด้วยคําว่ากัตเมจตตารูสี่ประการนี่คืออะไรบ้างก็เรียกว่าเป็นคําถามที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นคล้ายๆกับกระตุ้นเตือนให้ภิกษุได้สนใจในพระธรรมเทศนาและจากนั้นทรงเฉลยเองสี่ประการคืออะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วก็ทรงแสดงคือ กายานุปัสสนาส ต, ติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาส ต, ติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาส ต, ติปัฏฐานจิตานุปัสสนาส ต, ติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาส ต, ติปัฏฐานทีนี้คําว่าอิทะแปลว่าวในที่นี้ในศาสนานี้คําว่าภิกษุในศาสนานี้หรือว่าในพระธรรมปีในนี้ก็ได้นะแล้วแต่ก็จะโยกมันก็จะขึ้นขึ้นยังไงก็ได้ ก็ก็หมายถึงพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั่นแหละแล้วก็ได้แสดงว่ากำว่ภิกษุเป็นคําแสดงถึงบุคคลผู้ยังข้อปฏิบัติให้ถึงพร้อมอีกกุดหนึ่งแปลว่าผู้เห็นภายในสังสารวัฏในทีน่นี้ในยะเน้นไปที่การประพฤติปฏิบัติเพราะว่ากรองคําว่าภิกษุเนี่ย ตามพระพุทธบนิฐานที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ตอนที่สัทธรู้ใหม่ๆเมื่อประทับอยู่ที่ต้นไสรเชื้อจปานิโครดเนี่ทรงตั้งไว้สี่ข้อหนึ่งพระองค์จะดำรงพระชนอยู่เพื่อสั่งสอนพุทธบริษัททั้งสคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกบัสิกา 2. ให้บริษัททั้งสเนี่ย ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของประสาทธรรมแล้วก็สี่ให้พุทธบริษทัททั้งสี่เนี่ยมีความสามารถในการเผยแผ่ศาสนธรรมที่พระองค์ทร ง, สงแสดงแล้วแก่บุคคลอื่นได้โดยพิสดารแล้วก็สี่เมื่อมีประรับประวาดการกล่าวช่วงจาบบิดเบือนใส่ไร้พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นให้พุทธบริษทัททั้ง4ี่ คือทั้งภิกษุภิกษุณีบาศกบาศิกานั่นแหละแก้ไขปรับปรวาิเหล่านั้นให้ยุติลงด้วยความเรียบร้อยแล้วโรงก็จะไปะนิพพานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทรงตั้งพระพุทธปณิธานเอาไว้แต่ในที่นี้ท่านก็อธิบายประการแรกก็คือผู้ใจยังข้อปฏิบัติได้ถึงพร้อมซึ่งประเด็นตรงนี้ที่จริงก็คลุมพุทธบริษัททั้งหมดนั่นแหละ ครุมภิกษุภิกษุณีบาสุบาสิกาทั้งหมดแต่การที่สองก็คือเทวดาและมนุษย์เราแม้เหล่าอื่นก็ยังข้อปฏิบัติให้ถึงพร้อมได้เหมือนกันแต่พระองค์สัเรีว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ประเสริฐและเพราะทรงหมายถึงภิกษุภาวะด้วยข้อปฏิบัติเพราะว่าเมื่อภิกษุทั้งหลายปฏิบัติติดตามอนุสาสนีคา พร่ำสอนตามสอนย้ำเตือนภิกษุทั้งหลา ย, ยานีพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วภิกษุทั้งหลายก็จะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเพราะเป็นเหมือนพาถนะรองรับอนุสาสนีทุกประการอนุสาสนีคือคาที่พร่ำสอนสั่งสอน บ, บนะ่อยๆน แล้วก็บางทีก็ทรงย้ําเตือนนะนี่เป็นพุท ธ, ธานุศาสนีนี่คือคําที่เราย้ําเตือนแก่พวกเธอทั้งหลายก็เตือนแล้วเตือนอีกภิกษุอย่าประมาทอย่างเงี้ยเตือนแล้วเตือนอีกก็ทุกวันก็ยังเตือนกันอยู่เนี้ยท่านท่านท่านแสดงไว้ว่าเพราะฉะนั้นเราคงยังตัดว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดก็ทรงระบุ ถ, ถึงภิกษุนั้นแล้ว เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เหลือก็เป็นอันทรงระบุถึงเหมือนกันเหมือนบริษัทที่เหลือถูกระบุะะบด้วยจึงกล่าวว่าราชาสัพ์ในกิจทั้งหลายมีการแสดงเสด็จราชดำเนินเป็นต้นและในการปฏิบัติในข้อปฏิบัติเหล่านั้นชื่อว่าภิกษุเพระนาะฉะนั้นพระองค์จึงสัตว่าภิกษุเพราะทรงสแสดงถึงภิก ข, ขุภาวะด้วยข้อปฏิบัติบ้บาง ผู้ปฏิบัติจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็าตามเข้าถึงการนับว่าเป็นภิกษุทางนั้นสมดังที่ทรงตว์ไว้ว่าผู้ที่ประดับประดาแล้วหากประพฤตริรมสม่ำเสมอสงบแล้วฝึกแล้วมีคติที่แน่นอนหมายความว่ารูปแบบรูปแบบที่พระหมจีวร อ, อะไรต่างๆที่แต่งกัน ไม่เคยเหมือนกันเนี่ยที่จริงไม่ใช่ประเด็นน่ะคือไม่ใช่ประเด็นประเด็นสําคัญว่าท่านปฏิบัติอย่างไงนั่นคือประเด็นใหญ่ดังเราพบว่ามีการประชุมพระพุทธศาสนาโลกขึ้นมามีพระจากส่วนต่างๆของโลกมาร่วมประชุมกันที่อะไรล่ะที่องค์การสัรพชาชาที่มหาจุฬา องค์กรรับที่อะไรที่วางน้อยเนี่ยเราจะเห็นว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต่างกันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดอะ่ะเพราะว่าเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวก็เพียงแต่ให้สามารถปกปิดอวัย ว, วะที่ควรปกปิดได้คือแต่งตัวเรียบร้อยไม่อย่างชาวบ้านแต่งเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีก็ก็ไม่เรียบร้อยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็แต่งเรียบร้อยแน่ น, นะ ตัวถ้าหากพระพฤฒธรรมสม่ำเสมอแม้ประดับประดาสวยงามอย่างนางวิสาขายางเงี้ยไปไหนบางทีท่านก็ประดับเครื่องระดามหาประสาทราคา27เจโกดแพงมหาศารหรูเลิศที่สุดเลยแต่คนในสมัยนั้นก็มีเพียงสองสามคนเดนนั่นเองที่มีเครื่องประดับชนิดนี้ได้แต่ก็ยิงท่านก็เป็นพระโสดาบัน เปิดคื อ, ครอประดับประดาตกแต่งเนี่ยคือไม่ต้องไปมองมากไม่ต้องไปมองอจะต้องส ม, มะถะถ้าจะรักษาศีลห้าจะต้องแต่งชุดขาวหรือว่านุ่งดำแต่งชุดขาวสวมเสือ้อแขนกระบอกก็ได้อะไรต่างๆนี่จริงๆไม่มีความจำเป็นเรอกนะไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นก็แต่งให้มันเรียบร้อยก็แล้วกันก็เรียกว่าสามารถปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดได้ ทีนี้ถ้าหากว่าท่านฝึกแล้วมีคติที่แน่นอนประพฤติพรมจรรย์เขาเว้นอาจยาในสัตว์ทั้งหลายเสียแล้วย่อมชื่อว่าพรามเป็นสมณะเป็นภิกษุเรียกยังไงก็ได้แต่การต่อไปคือคำว่ากาย กรรมกายเนี่ยได้แก่รู ป, ปกายความจริงรู ป, ปกายพระองค์ทรงประสงค์ว่ากายในประสูนยนี้เหมือนกายช้างกายม้าเป็นต้นพระอัตถว่าเป็นที่รวมของอวัยวะน้อยใหญ่และของรูปทั้งหลายมีผมเป็นต้นก็ที่ชื่อว่ากายพระอัตถว่าเป็นที่ประชุมรวมแห่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายสันใดชื่อว่ากายพระอัตถว่า เป็นที่มาถึงแห่งสิ่งที่น่าน่าเกลียดทั้งหลายฉะนั้นเพราะว่ารูปปัจจัยนั้นเป็นที่มาถึงแห่งสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายคือสิ่งที่น่าขยะแขยงอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากายบ้านอายุและแก่แดนเกิดของสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดกายยากก็คือ กุนะกุมันเป็นอุปสรรคเดียร์อายะเนี่ยก็คือกุอายะแปล ว, ว่ากายะก็จั่วกายเพราะเป็นเดนเกิดแห่งสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายด้วยประการอย่างนี้คําว่าพิจารณาเห็นกายได้แก่ผู้พิจารณาเห็นกายหนึ่งๆเป็นปกติหรือผู้พิจารณาเห็นอยู่หนึ่งๆซึ่งกาย แต่ควรทราบไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงแม้จะสัตว์ไว้แล้วว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติก็ตามแต่ว่ากายศัพท์ไว้เป็นครั้งที่สองว่ากายานุปัสสีเปรววาเห็นกายในกายเพื่อจะทรงแสดงถึงการแยกก้อน คณะสัญญาเนี่ยคือร่างกายที่มันคุมกับเป็นก้อนในดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเนี่ยเพื่อจะแยกเ็อเห็นกายในกายเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกคำหนึ่งแต่ที่จะเห็นกายกายเรากายคนอื่นอย่างเงี้ยหยาบหยาบก็ดูกายเรากายคนอื่นดูกายเราก็ะสบสบอะไรต่างๆตลอดถึงว่าแยกส่วนหนึ่งของกายออกมาเช่นดูเล็บอย่างเี้ยเล็บแต่ละเล็บ ก็ก็ดูได้ดูผมแต่ละเส้นอะไรนี้ก็ก็ก็เป็นกายในกายด้วยกันด้วยการกำหนดจาตุธาตุวัฏฐานคือแยกเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟอากาศได้ใจเป็นดินน้ำลมไฟโดยไม่ให้ปะปนกันประโยคนาวาจรไม่ใช่เป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในกายหรือพิจารณาเห็นจิตและธรรมในกาย โดยที่แท้แล้วเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายนั่นเองเพราะฉะนั้นด้วยคำว่ากายญานุปสีนั้นจึงเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงการกาหนดโดยมิให้ปนกันโดยการแสดงเฉพาะอาการคือกายพิจารณาเห็นกายในวัตถุลราวคือกายนั่นเองอันหนึง่งไม่ใช่เป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมอย่างเอก นอกเหนือไปจากอวัยวะน้อยใหญ่ในภายในตั้งไม่ใช่เป็นผู้พิจารณาเห็นหญิงหรือบุรุษนอกเหนือไปจากกวมคนหรืฝันนังคือแทนที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะแยกถือหรือรวบถือเวลาเรามองเนี่ยเราจะมองเห็นว่าคนนั้นหน้าสวยคนนั้นตรงนั้นสวยตรงนี้สวยะอะไรต่างๆเนี่ยมันแยกแยกมองแยกถือแยกยึดเอา แต่ถ้ามองให้เกิดความเข้าใจจริงๆมันก็ต้องมองโดยภาพรวมโดยภาพรวมก็เรียกว่ารวบถือทั้งร่างกายและเป็นของปฏิกูลมันก็เหมือนกับตอนตอนดูศพคนตายเราจะเห็นว่าศพคนตายพอถึงบทญาตนท่านจะตายเข้ามามันก็ปฏิกูลด้วยกันทั้งนั้นร่างกายเราก็เหมือนกันร่างกายคนอื่นก็เหมือนกัน ทีนี้ประเด็นที่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเน้นเฉพาะกายเพราะว่าตรงนี้ทรงเน้นที่กายปเวทนานุปัสสีก็เน้นที่เวทนาจิตตานุปัสสีก็เน้นที่จิตธรรมานุปัสสีก็เน้นที่ธรรมก็แล้วแต่ว่าในช่วงนั้นท่งสแสดงเรื่องอะไรท่านนั่นเองทีนี้สรงอธิบายำคำคาว่ากายานุปัสสนาหมายความมาตามเห็นกายในกาย พิจารณาเกาในกายว่านี้ไม่ใช่พิจารณาเห็นธรรมอย่างเอกนองเหนือไปจากมหาภูตรูปแล้วปาทายรูปมหาภูตรูปก็คือดินน้ำลงไฟอุปาทายรูปก็คือรูปที่อาศัยมหาภูทธรูปเนี่ยอาศัยร่างกายเราเนี่ยก็มียีสี่รวมแล้วก็เป็นรูปยี่บแปด้วยกัน ก่ทั้งหมดเ่ยผมขนอะไรตระลายต่างๆเนี่ยดูในรายย่อยรายละเอียดอุปาทายรูปนั้นเป็นรูปอาศัยอยู่ในการเกาะกลุมของขันไอของของธาตุทั้ง4ี่คือดินน้ำลมไฟอากาศเนี่ยแม้ในการกล่าวคือชุมนุมมหาภูตรูปหรือปาาทายรูปมีผมขนเป็นต้นโดยที่ท่าแล้วก็เป็นผู้พิจารณาเห็นชุมนุมแห่งอังฆาปยบ เหมือนผู้มองเห็นเครื่องประกอบของรถฉนั้นเป็นผู้พิจารณาเห็นชุมนุมแห่งผมขนเป็นต้นเหมือนผู้เห็นส่วนต่างๆของตัวเมืองฉะนั้นและเป็นผู้พิจารณาเห็นชุมนุมแห่งหมาปูตะูกดินน้ำลงไฟดินน้ำลงไฟและอุปทายรูปนั่นแหละเหมือนคนลอกกาบกล้วยออกจากต้นกล้วยเหมือนคนแบกมือเปล่าออกฉนั้น พวกนี้พวกพวกัวกนธห้าเนี่ยบางทีพระพุทธจเจ้าส่งอุปมาแต่ว่าในกรณีของการเจริญส ม, มถกรรมฐานนะครับอุปมากายเหมือนกับตอมน้ำเหมือนกับตอมน้ำที่มันน้ำไหลไหลไหลจากที่สูงหรือว่าที่ลาดหน่อยๆนะ่ะมันกระทบกันเป็นฟองน้ำตั้งอยู่แล้วก็ดบดับไป เกิดขึ้นตังอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปร่างกายมันก็มีลักษณะอย่างนั้นบางทีก็ส่งอุปมาเวทนาเหมือนกับตอมมันเหมือนกับฟองน้ำนะฮะเหมือนเหมือนกับฟองน้ำไม่ใช่คือกายนี่เหมือนกับตอมเหมือนเหมือนกับฟองน้ําเวทนาเหมือนกับตบน้ําตอบน้ํามันเล็กกว่าแล้วก็ดูจิตดู ด, ดูกายดูเวทนาดูจิต จิตก็เหมือนกับเป็นเส้นเป็นภาพเป็นภาพหลอนอะไรต่างๆแล้วก็ธรรมก็เหมือนกันคือคือมองในแง่ที่มันเป็นอาศัยรูปธรรมเขาเทียบเคียงเพื่อน้อมเข้ามาหาคือสรุปว่าให้นายในกายตนและกายคนอื่นเนี่ยไม่ลงกับหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่ในกายตนและกายบุคคลอื่น ก็พยายามทำความเข้าใจก็ศึกษาทีนี้ก็ทรงแสดงว่าเพราะฉะนั้นโดยการแสดงวัตถุกล่าวคือกายด้วยหนาาแถ่งชุมนมโดยประการต่างๆนั่นเองเป็นอันพระองค์ทรงแสดงกายแยกคณะสัญญาออกไปคือความเป็นก้อนออกไปเพราะในคำว่ากายเยกายานุปสีนี้จะไม่เป็นหญิงหรือเป็นชาย หรือเป็นธรรมะอะไรอื่นนอกจากเหนือไปจากการชุมนุมธรรมคือดินน้ำลงไฟแล้วก็แต่ศาตว์ตั้งหลายทำความเชื่อมั่นผิดผิดอางนั้นเชื่อมั่นผิ ด, ผ, ดผิดก็อย่างที่กล่าวไว้แล้วนะคือบิาดาล่าสี่ประการในสภาวะเพียงการชุมนุมธรรมตามที่กล่าวมาแล้วนั้นเพราะฉะนั้นพระบราณอาจารย์จะได้กล่าวไว้ว่า สิ่งใดที่บุคคลเห็นอยู่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาเห็นแล้วอันนี้พูดเป็นขณะทางฝั่งเราสังเกต น, นะฮะสิ่งที่เห็นอยู่คือไม่ใช่สิ่งที่เป็นอดีตคือเห็นแล้วบางอย่างเราเห็นแล้วเช่นเช่นเช่นสมมติว่าคนเดินไปเนี่ยคนเดินไปแถวเราก็ดูทีตะคนทีลคนีคนแต่ Für คนที่เราเห็นแล้วก็ไม่ใช่คนที่เราเห็นอยู่ ไอ้คนที่เราเห็นอยู่ก็ไม่ใช่คนที่เราเห็นแล้วคนที่เราจักเห็นคือจะมาถึง อ, อีกขนาดหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เรากําลังเห็นอยู่นี่คือพูดในแง่ของปดธรรมชาติที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นมันดํารงอยู่แล้วมันก็เสื่อมสลายไปคือแตกดับไปดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า อย่างเวทนาเนี่ยเราจะเห็นว่าเวทนาที่กำลังปรากฏมันก็ไม่ใช่เวทนาที่ปรากฏแล้วและไม่ใช่เวทนาที่จะปรากฏในโอกาสต่อไปคือสรุปสรุปนึกถึงการทั้งสามนะฮะอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตก็ทีเร็วรวดทําไปทํามาเราก็นับไม่ค่อยทันหรอกและด้วย อาทิศัพท์ในคําว่าก็ควรอธิบายดังต่อไปนี้ความจริงพระโยคาวาจรพิจารณาเห็นกายอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้พิจารณาเห็นธรรมอย่างอื่นมีอธิบายไว้อย่างไรมีอธิบายไว้ว่าคนทั่วไปมองเห็นพยับแดดที่ไม่ใช่น้ําเลยว่าเป็นน้ําจันใดพระโยคาวาจรพิจารณาเห็นกายนี้ ที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนัตตาและไม่งามเลยว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอนัตตาและเป็นของงามฉันนั้นหาไม่ได้โดยที่แท้แล้วพิจารณาเห็นแต่สักว่ากายคือพิจารณาเห็นว่าเป็นที่ประชุมของกายที่ไม่เที่ยงเป็นทุกขและเป็นอนัตตาและเป็นของไม่งามเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งควรทราบเนื้อความอย่างนี้ว่ากายนี้มีลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าในเบื้องต้นมีการกระตุกที่กลายเป็นผุยผงไปในที่สุดพระผู้มีพระภาคสัดไว้ก่อนแล้วว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ไปสู่ป่าเป็นต้นนะครับภิกษุนั้นมีสติหายใจออกและกายใดที่ภาษาดิบุตรกล่าวไว้ในไปสัมปิถามากว่า ประโยคาวรจรบางรูปในศาสนานี้พิจารณาเห็นกายคือดินกายคือน้ำกายคือไฟกายคือลมกายคือผมขนเล็บผิวหรือหนังกายกายคือเนื้อกายคือเลือดกายคือเอ็นกายคือกระดูกกายคือเยื่อในกระดูกโดยเป็นของไม่เที่ยงนี่ท่านท่านผู้ฟังคงจะเคย ได้ยินเรื่องอาการสามสิบสองอ่ะการสามสามิบสองสมมติว่าพิจารณาเห็นกายในกายที่อาการสามสิบสองสมมติว่าในขณะนั้นเราดูผมอยู่กายก็คือผมกายก็คือขนกายก็คือเล็บกายก็คือฟันกายก็คือหนังกายก็คือกระดูกกายก็คือเยอะในกระดูกเป็นต้นนี่ หมายความมาแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานได้ด้วยกันทั้งนั้นก็เรียกว่าแม้แต่เป็นผงกระดูกเนี่ยจากการสอนของพระพุทธเจ้าทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเข้าใจชัดเจนในอาการต่างๆที่ปรากฏ ข, ขึ้นมาใ น, ในกระดูกนี่ก็เป็นกายานุปัสนาสติปทานอีกประการหนึ่ง ควรทราบเนื้อความอย่างนี้ว่าพิจารณาเห็นกายกล่าวคือที่ประชุมธรรมมีผมเป็นต้นในกายต่างๆเพราะไม่เห็นสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งในกายที่จะต้องยึดถืออย่างนี้ว่าเราหรือของเราแต่เพราะพิจารณาเห็นชุมนุมของรูปธรรมต่างๆนั้นๆเองแล้วก็มีเอามีผมเป็นผมขนเป็นต้นเนี่ย อีประการหนึ่งควรเข้าใจเนื้อความอย่างนี้ว่าเมื่อผู้พิจารณาเห็นกายในกายแม้เพราะพิจารณาเห็นกายกล่าวคือชุมนุมอาการมีอนิจจาลักษณะเป็นต้นทั่วทุกอย่างมีนัยยะดังที่มาแล้วในไปสัมพิธามากักโดยนัยยะมีอนที่ว่าพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของเที่ยง ยิ่งอย่างนั้นพิสุปฏิบัติกาเยกายานุปันุปัสนาปฏิปทาคือข้อปฏิวัติว่าด้วยการพิจารณากายในกายถึงทราบว่าจะพิจารณาเห็นกายนี้ด้วยอํานาจของอนุปัสนาอนุปัสนาก็คือตามรู้ไปตามลําดับมีเจ็ดขั้นด้วยกันก็เข้าไปในกระแสของของยานแล้วนะฮะเข้าเข้าไปในกระแสของยานแล้วก็รู้ไปตามลําดับไเรืยย่อย มันเห็นด้วยตาใจในขณะเดียวกันตาเนื้อมันก็สะท้อนในเห็นแต่ว่าที่ท่านเห็นลึกซึ้งจริงๆนะเป็นตาใจของคัดเป็นความรู้ได้ใจเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่สวยไม่งามเห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งเนั้นแล้วก็เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็จะไม่พิจารณา ไม่ใช่จะพิจารณาเห็นโดยเป็นอัตตาจะเบื่อหน่ายไม่ใช่จะเพลิดเพลินจะคลายความกำหนัดไม่ใช่กำหนัดหมายความว่ากิเลสต้องลดพูดสรุปง่ายๆว่าจะพิจารณาอะไรก็ตามโดยวิธีใดก็ตามเห็นยังไงก็ตามแต่มีข้อแม้ว่ากิเลสต้องลดแล้วก็ที่เน้นที่ท่านเน้นในที่นี้ก็คือความเห็นที่วิปลาสคลาดเคลื่อนจากความจริงทั้งหลาย จะเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใจ่ตน ว, ว่าเป็นตัวเป็นตนคือความเห็นอย่างนั้นจะต้องลดย่อนลงไปอย่างน้อยก็แวบหนึ่งปรากฏขึ้นภายในจิตคือการเจริญกรรมฐานเนี่ยไม่ว่าสมถะหรือวิปัสสนาสมถะมันส ง, สงบสงบักวูบหนึ่ง สักขณะหนึ่งสั้นๆเนี่ยเราก็จะได้สัมผัสสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราวิปัสสนาก็เห็นสักรูปบหนึ่งเป็นแสงสว่างโครงขึ้นมาแล้วก็ดับะดับก็ดับเถอะแต่ว่ามันค้างคาอยู่ภายในใจทาให้มุ่งมัน่นปฏิบัติแต่ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับทีนี้ ไม่ใช่จะกำหนัดยินดีจะดับตันหาไม่ใช่จะ เ, เกิดตันหาจะสลัดไปไม่ใช่จะยึดมั่นเอาไว้เธอเมื่อพิจารณาเห็นกายนั้นโดยความไม่เที่ยงก็จะละนิจจะสัญญาได้เมื่อพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ก็จะละสุขับสัญญาได้เมื่อพิจารณาเห็นความเป็นหน้าตาก็จะละอัตตสัญญาได้หมายความว่าแต่ละข้อเนี่ยมันมีกริงหรือสิ่งที่เราเรียกว่าปฏิปักระทร่ม คือธรรมะที่มันเป็นปฏิปักิกันหมายความมาเราพิจารณาเห็นความไม่สวยไม่งามเนี่ยความไม่สวยไม่งามเห็นด้วยจิตนะเห็นด้วยจิตจริงๆแล้วก็ในที่สุดมันก็จะบรรเทาความกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในสิ่งที่เราเห็นค่าเคลื่อนไปที่เราเห็นมีปราาดไปหรือเราเลยจเจริญอนิจจสัญญา อันนี้จากสัญญาก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐ า, านะอยู่ในสัญญาสิบเราจะเริญนวิปัสนาพิจารณาไปก็เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเช่นสมมติเรานั่งเรานั่งดูเนี่ยมันเมื่อยเมื่อยเราเพ่งดูที่จุดเมื่อยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในจุดเมื่อยเหล่านั้นเมื่อยมากขึ้น หรือว่าขนาดหนึ่งก็ทรงอยู่ขนาดหนึ่งก็ลดลงไปบางทีก็อาการเมื่อยหายไปเลยแล้วก็เริ่มสบายนั่งสบายอยู่พักหนึ่งก็เริ่มเมื่อยเริ่มเมื่อยอีกอันนี้ก็เรียวกว่าเป็นเห็นความไม่เที่ยงก็ดูกันที่กายนี่แหละก็ไม่ดูกันที่ไหนหรอกก็ดูกันที่กายพอเราจเจริญทุกขัสัญญากําหนดมองเห็นความเป็นทุกข์ของสังขารร่า ก, กายทั้งหลาย พอถึงจุดหนึ่งเราก็จะหน่ายในสังขารเดี๋ยวไปได้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวความสุขและเป็นที่ตั้งแห่งความทุกแท้ทจริงแล้วเป็นก้อนทุกแท้ๆเลยตีว่าทุกข์ขันนะฮะคือกองแห่งทุกแท้ๆพราะเราเลยเจริญอนัตตสัญญาหมายความมาพิจารณาตร ง, งกันข้ามกับที่เราวิปรายก มองด้านหนึ่งอยู่เอาพลิกไปมองอีกด้านหนึ่งทีแล้วก็จะเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นหลักในการปฏิบัติเจริญเพื่อบรรเทาวิปลาสแต่อย่าลืมว่าพวกนี้ที่จริงมันก็อยู่ในมหาสติปัฏฐานนี่แหละแม้จะเรียกเป็นชื่ อ, อยังไงก็ตามในสุดมันก็คืออยู่ในมหาสติปัฏฐานเป็นเรื่องธรรมดาต้องฟังทราย เสียงธรรมจากมาวิทยาสีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี